คำนี้เราสัทยายพุทธคุณรอยบทส่วนใหญ่คงจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะกับสวดมนต์บทนี้นะพุทธคุณร้อยบทนี้ก็เป็นคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าที่อุบ า, บาสกท่านหนึ่งในสมัยวัฏฏการท่านมีศรัท ธ, ธาในพระพุทธองค์ เพราะได้ช่วยให้เขาได้เกิดดวงตาเห็นธรรมจิตพ้นจากความทุกข์ก็มีความซาบซึ้งเกิดแรงบันดาลใจจึงกล่าวคำสรรเสริญพระพุทธองค์ก็พรรณนาคุณสมบัติของพระพุทธองค์หลายประการรวมแล้วก็ร้อยประการเวลาพูดถึงว่าพุทธคุณเนี่ยนะ ส่วนอยากจะได้ยินได้ฟังจากแวดวงพระเครื่องอย่างเช่นมีการพูดว่าพระองค์นี้พระพิมพ์องค์นี้หรือว่าพระเครื่ององนี้เนี่ยมีพุทธคุณอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วที่พูดที่ใช้คำพุทธคุณกับพระเครื่องอะไรต่างๆนี้ในทางที่ช่วยทําให้คล้าวคลาดปกป้องอันตราย ไม่มีแม่ตามหานิยมนีอันนี้ยังไม่ใช่พุทคุณที่แท้นะอ่าพุทธคุณที่แท้ก็อย่างที่เราได้สาธยายนะเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าซึ่งรู้แล้วแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำพาผู้คนให้พ้นจากความทุกข์หรือว่าแสดงถึงความคุณสมบัติของพระุทธองค์ซึ่งถ้าจะสรุปย่อๆก็เหลือแค่สองนะก็คือ พระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการทําให้คล้าวคลาดจากอันตรายหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บอันนั้นเป็นประโยชน์ทางโลกนะซึ่งมันเทียบไม่ได้กับประโยชน์ในทางจิตใจหรือประโยชน์ในทางธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติตามคําสอนของพุทธเจ้าหรือว่าเกิดจากการที่ได้บรรลุนะถึง รู้แจ้งในสัจธรรมซึ่งทําให้พ้นทุกข์นะพระพุทธคุณในความหมายหลังเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าเพราปกติเราก็ ส, สวดหรือสัธยาพทุทธคุณเวลาเราสวดบทที่เราอาหังสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยบทบวธรรมวัดเช้าก็ดีธรรมวัดเย็นก็ดีก็จะมีการพูดถึงพทุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ พุทธคุณ9ธรรมคุณหนะสังคุณก็9แต่เฉพาะสังพุทธคุณนี่ถ้าสรุปยอนะ่อยๆน่อก็อย่างที่บอกนะก็มีแค่สองนะคือพระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณพระปัญญาคุณนี่ก็หมายถึงปัญญาที่รู้แจ้งนะในสัจธรรมจนกระทั่งทำให้พ้นจากอำนาจของกิเลส ไม่อยู่ในอิทธิพลของตัณหาแล้วก็อวิชชาได้เมื่อมีปัญญารู้แจ้งในสัจธรรมก็หมดสิ้นซึ่งความเห็นกับตัวเจตใจไม่มีความเห็นกั่ตัวไม่มีความยึดถือในตัวตนก็ทำให้เกิดกรุณาอันไม่มีประมาณเมื่อไม่ไม่มีความเห็นกั่ตัว นำไปสู่กรุณาอาะไม่มีประมาณนะก็ทำให้พระองค์นะเสด็จไปสั่งสอนนะให้ชาวโลกนี้ได้พ้นจากความทุกข์คนเราเนี่ยถ้าจะพูดถึงอ่ถ้าจะดำเนินรอยตามพระพุทธเจ้าให้เข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะก็ต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมสองประการใหญ่ๆ คือปัญญาและกรุณาปัญญาเนี่ยนะส่งผลโดยตรงนะทำให้พ้นทุกขนะ์อันนี้เรียกว่าเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เกิดประโยชน์ตนะการที่ใครสักคนนี่จะพ้นทุกข์ไดนน้ก็เรียกว่าถึงพร้อมซึ่งประโยชน์ตนและเมื่อเสร็จกิจนะกิจที่ควรทำสำหรับตัวเองไม่มี เหลืออีกต่อไปมันก็มีแต่กิจที่ทําเพื่อผู้อื่นแล้วก็นําไปซึ่งประโยชน์ท่านซึ่งเกิดขึ้นได้จากความกรุณาความเมตตากรุณาพระพุทจ้านี่ถ้าจะว่าดไปล้ท่านก็ปล่อยวางหมดแล้วละการที่พระองค์ได้เห็นมีปัญญาใหจ้จัดสาจธรรมก็ทําให้พระองค์เนี้ยปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นเชิง แต่ท้า น, นที่พระองค์ปล่อยวางแล้วก็รู้นะว่าพระองค์ก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยก็ยังทรงนะกระทาพุทธกิจตลอด4 5พรรษานะเพื่อช่วยสรรพสัตว์ได้พ้นทุกขนะ์ถ้าเราจะเป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็ต้องพยายามนะจะเลยลอยตามพระองค์อาจจะเริ่มต้นด้วยการรักษาศีลเรื่องรวมถึงการให้ทาน แต่ว่าให้ทานและรักษาสีนี่ก็ยังไม่พอนะเป็นแค่จุดเริ่มต้นสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือภาวนาภาวนาคือการฝึกจิตฝึกใจฝึกใจให้สงบฝึกใจให้มีสติฝึกใจให้มีขันติความอดทนความยับยั้งชั่งใจ ทั้งต่อสิ่งกระตุ้นเราภายนอกเนะช่นสิ่งยั่วยนะั่วหรือว่าคำพูดยั่วยุนี่ก็าต้องมีขันติเราก็ต้องมีความอดกลั้นต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจด้วยเช่นมีความโกรธเกิดขึ้นในใจก็อดทนได้นะไม่ไม่ปล่อยใจให้อยู่ใน น, น, น้าของความโกรธจนกันทั่งเผลอไปว่าเขาไปดา่าเขาไปทำร้ายเขา อันนี้เป็นหน้าที่ของคันติซึ่งถ้ามีสติด้วยแล้วเนี่ยให้การอดกลั้นหรือการที่ไม่ตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์เช่นความโกรธหรือกิเลสเนี่ยมันก็ทําได้ง่ายขึ้นแล้นเมื่อฝึกจิตแล้วนี่ก็ต้องนําไปสู่การพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นนะคือการเห็นความจริง นาเทียงชาพุนนี่ก็ต้องนะต้องฝึกใจนะให้เห็นความจริงความจริงมันก็มีหลายระดับนะตั้งแต่ความจริงระดับพื้นๆว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะถ้าไม่เห็นความจริงข้อนี้เนี่ยมันก็อาจจะลหลงไหลไปในการทำความชั่วได้ความจริงที่ว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเนะ ทำกรรมด้ยอมได้รับกรรมนั้นนะหรือว่าต้องรับผลของกรรมนั้นอันนี้ก็เป็นความจริงเหมือนกันนะทีเ่เราควรจะเปิดใจให้เห็นพอถ้าเราเห็นความจริงตรงนี้เนะีเราก็จะพยายามทำกรรมดีนะเราเป็นกรรมชั่วเพราะว่าเราไม่อยากให้เกิดความเดือดร้อนกับตัวเองหรือกับคนที่เรารักนะ เราก็ต้องหมั่นทำความดีสร้างกรรมดีแต่ว่าอันนี้เป็นความจริงขั้นต้นนะเราก็ต้องเห็นความจริงนะที่สูงขึ้นไปกว่านั้นซึ่งที่จริงมันก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่เรานะจะรับรู้ได้เช่นคนเราเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายอันนี้มันเป็นความจริงที่ธรรมดาสามัญมาก แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากรับรู้ความจริงอันนี้นะหันหลังให้กับความจริงอันนี้เช่นคิดว่าเนี่ยฉันจะหนุ่มจะสาวเสมอฉันจะไม่เจ็บไม่ป่วยหรือคิดไปกระทั่งว่าฉันจะไม่ตายนะฉันจะอยู่ค้ำฟ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อถามว่ารู้ไหมว่า เกิดแล้วต้องแก่ต้องแจ่ต้องตายทุกคนก็รู้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าอันนั้นมันเป็นแค่ความเข้าใจในระดับในระดับหัวสมองแต่ว่าใจเนี่ยมันยังไม่ได้ยังหรือยอมรับในความจริงอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเริ่มแก่เข้านะผมเริ่มงอกนะหนังเริ่มเหี่ยวความสวยมันเริ่ม ร่วงโรยโรยราก็มีความทุกข์ขึ้นมาเลยนะคนเดี๋ยวนี้น่ยอมรับไม่ได้นะกับความแก่ของตัวก็พยายามที่จะปกปิดความแก่พยายามที่ทําทุกอย่างเพื่อให้ดูหนุ่มดูสาวนะมีน้ายามอาีอุปกรณ์อะไรที่จะทําให้ดูหนุ่มดูสาวนี่ก็ซื้อมาไม่ว่าจะราคาแพงแค่ไหน หรือแม้กระทั่งไปผ่าตัดนะอันนี้มาสะท้อนเนี่ยถึงการยอมรับความแก่ไม่ได้แล้วความเจ็บความปวดก็เช่นเดียวกันนะพอเจ็บพอป่วยก็บนตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นนะหลายคนที่พอรู้ว่าเป็นมะเร็งหมอบอกว่าเนี่ยเป็นมะเร็งก็ เศร้าโศกเสือใจหมดอะไรตายอยากนะโอดโอยว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นทั้งทที่ก็รู้อยู่ว่าคนที่เป็นมะเร็งนี่มันก็มีทั่วไปหมดหันหน้าไปทางไหนก็เจอคนเป็นมะเร็งทําไมถึงทุกข์ทำไมถึงเจ็บปวดก็เพราะว่ายอมรับไม่ได้ในความเจ็บป่วยนั้นทําไมถึงยอมรับไม่ได้เพราะว่า ลืมนะลืมไปคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมีสุขภาพดีไปตลอดกาลดังที่ถ้าถามนะรู้ไหมว่าคนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยก็รู้แต่บอยครั้งเราก็ลืมเราอยู่เหมือนคนลืมแก่ทุกวันนี้เราอยู่เหมือนคนที่ลืมป่วย คือไม่ได้คิดว่าสักวันหนึ่งตัวเองต้องป่วยแล้วก็อยู่เหมือนคนลืมตายด้วยคือไม่คิดว่าสักวันหนึ่งตัวเอต้องตายแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มที่จะเห็นความจริงนะว่าคนเรานี่มันต้องเกิดมาแล้วหนีความแก่ความเจ็บความป่วยความตายไม่พ้นเนี่ยพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงใจก็จะไม่ทุกข์มาก นี่คือความจริงนะที่เราต้องเห็นนะแล้วถ้าเราเห็นเรายอมรับมันเสียแต่ตอนนี้โดยเพราะขณะที่ยังหนุ่มยังสาวขณะที่ยังมีสุขภาพดีขณะที่ยังไกลาจากความตายเนี่ยพอความแก่ความป่วยหรือวความตายมาประชิดตัวเราก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนเราถึงเวลามันเกิดขึ้นมันก็ทุกแต่กายใจยไม่ทุกข์ การเห็นความจริงนในขั้นต่อไปก็คือเห็นว่าไม่มีอะไรที่มันคงที่เมื่อมีเมื่อได้ทรัพย์มันก็สูญไปเสื่อมจากทรัพย์การได้ยศความเสื่อมยศสารเสริญนินทาสุขทุกเนี่ย มันเป็นของที่คู่กันนะเหมือนสองด้านของเหรียญเดียวกันนะเหมือนกับหน้ามือกับหลังมือนะจะเอายางใดอย่างหนึ่งแต่ไม่เอาอีกอย่างหนึ่งนะเป็นไปไม่ได้จะเอาหน้ามือแต่ไม่เอาหลังมือมันเป็นไปไม่ได้จะเอาสุขแต่ไม่เอาทุกเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อมีพบนะมันก็ต้องเจอ ก็ต้องมีพลาคนะเมื่อเจอก็ต้องจากนะไม่วันใดก็วันหนึ่งมีกับหมดนี่มันก็เป็นของคู่กันอันนี้เราโลกธรรมนะโลกธรรมซึ่งมีทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบถ้าเราเห็นความจริงอันนี้ก็ถือว่ามีปัญญานะแต่มไม่ใช่เห็นแค่เข้าใจนะมันต้องให้มันเข้าจิตด้วยเห็นชนิดที่ว่าเข้าจิตเลย เมื่อเข้าจิตนะพอเสียทรัพนะเสื่อมจากยศหรือว่าถูกคนดินทาก็ไม่ทุกข์เพราะรู้ว่เป็นธรรมดาเนี่ยคือความจริงขั้นพื้นฐานนะที่เราชาวพุทธต้องเปิดใจยอมรับนะมันเป็นความรู้นะ ในวิชาที่สำคัญเร่ยกวิชาชีวิตนะคนทั้งวันนี้มีความรู้ในวิชาต่างๆมากมายวิชาบัญชีนะวิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์วิชาประวัติศาสตร์นะแต่ว่าที่มองข้ามไปเลคือวิชาชีวิตนะอันที่พูดมาเนี่ยมันก็คือความรู้และความจริงนะที่ เราต้องเรียนรู้แล้วก็เตือนใจอยู่เสมอเพราะถ้าว่าไม่เตือนใจนี่มันก็จะเผลอเพราะว่ากิเลสตัณหาเนี่ยมันพยายามที่ทำให้เราลืมตัวนะกิเลสตัณหาเนี่มันทาให้เราอยากได้มากๆแล้วก็ยึดในสิ่งต่างๆที่มันปรนเปลออัตตาตัวตน ปลนเปล่าความสุขให้กับเราและกิเลสตัณหานี่ยนะที่มันจะคอยดักเราเอาไว้นะเหมือนกับตาข่ายที่ดักให้เราจมอยู่ในความทุกขนะ์เมื่อกี้นะในพุทธคุณร้อยบทเนี่ยก็มีบทหนึ่งที่สรรเสวนผู้เจ้าว่าเป็นผู้ที่ทรงเจาะทะลุตาข่ายคือตัณหาซึ่งเป็นเครื่องดักสัตว์นะ กัรหาเนี่ยมันเป็นเครื่องดักสัตว์เอาไว้สัตว์นี่ก็หมายถึงพวกเราทุกคนด้วยที่ยังเป็นปุตุชนอยู่คือมันดักให้ไม่สามารถจะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้ทั้งที่เราปรารถนาความสุขแต่ว่าความสุขที่ผู้คนสแสวงหาเนี่ย มันมักจะถูกขับเคลื่อนด้วยตันหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นเพราะนั้นเนี่ยพอพอตันหามันคร่องงาใจได้อะไรก็อยากจะได้อีกได้มากแล้วขณะเดียวกันไอ้ที่ได้แล้วก็อยากจะให้มันอยู่ไปตลอดอยู่ไปจนชั่วฟ้าดินสลาย ซึ่งมันสวนทางความจริงนะที่ว่าไม่มีอะไรที่มันเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่มันจรลังยั่งยืนตัณหาเนี่ยมันมันคอยปกปิดไม่ให้เรายอมรับความจริงในเรื่องความแก่ความเจ็บความตายความพัฒพระสูวเสียมันคิดแต่จะปรุงให้เราอยากได้นอนอยากได้นี่นะด้วยความเชื่อด้วยความหวังว่า ได้มาแล้วนี่นะจะไม่มีวันหมดนะเจอแล้วจะไม่มีวันพลาดนะเราก็ต้องรู้ทันนะอย่าให้ตันหายมันมันปิดตาปิดใจจนกระทั่งเราไม่เห็นความจริงหรือไม่อยอมรับความจริงซึ่งมันเป็นความจริงที่ธรรมดาสามัญหรือว่าชัดเจนแจม่มแจ้ง แต่ว่าเราไม่ยอมรับเองต่างหากนะการเห็นความจริงนะที่ลึกไปก่อนนั้นนะมันก็ยังมีอีกนะเช่นการเห็นว่าแท้จริงแล้วนี่มันมันไม่มีตัวเรานะมันมีแต่รูปกับนามนะมันมีแต่กายกับใจมันไม่มีตัวกูของกูอันนี้ยากไปหน่อยอัน ย, ยากขึ้นอีก คนเราก็รู้นะว่าตัวเรามีกายกับใจแต่มันก็อดยึดไม่ได้ว่ากายเนี่ยคือเราของเราใจนี่คือเราคือของเราเนี่เวลามีเวลาปวดที่กายเจ็บที่กายเนี่ยแทนที่จะเห็นว่าเออมันเป็นกายที่เจ็บมันเป็นกายที่ป่วยหรือปวดมันก็กลับหลงไปคิดว่าฉันเจ็บฉันปวด ไอ้ตรงนี้แหละที่ทําให้ไม่ใช่แค่ทุกข์กายอย่างเดียวกลายเป็นทุกข์ใจด้วยคนที่ไม่เห็นความจริงนะว่ามันเป็นกายที่ปวดไม่ใช่เราปวดนะก็จะทุกข์นะเวลาเจ็บเวลาปวดขึ้นมาจะไม่ทุกข์กา ย, ยาเนี่ยทุกข์ใจด้วยเพราะจะรู้สึกว่าเนี่ยฉันปวดฉันปวดนะไม่ใช่เห็นความจริงว่ามันแค่กายที่ปวด มันไม่ใช่ฉั้นปวดเพราะมันไม่มีชั้นตั้งแต่แรกที่จะเป็นผู้ปวดพอรู้สึกว่าชันปวดเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือใจมันก็ปวดด้วยก็คือกลายเป็นว่าปวดทั้งกายปวดทั้งใจทั้งที่โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันทําได้อย่างมากคือทําให้ปวดกายเชื้อโรคมะเร็งเนี่ยนะมันก็เล่นงานกับร่างกายแต่ว่ามะเร็งนี่มัน ไม่สามารถไปทําอะไรกับจิตใจได้แต่ทันทีที่เรารู้สึกว่าอฉันปวดฉันปวดนี่ใจมันปวดทันทีเลยเวลาเราเหยียบหินนะเวลาเดินเท้าป่าเหยียบหินเนี่ยหินนี่มันทํำได้มากคือทําให้เท้าปวดหรือว่าอย่างมากก็เท้าเป็นแผลแต่มันไม่สามารถจะทิ่มใจได้ แต่พอเราทันทีที่เรารู้สึกว่าฉันปวดไม่ได้เห็นว่าที่จริงมันเป็นเท้าที่ปวดแต่ไปเห็นว่าฉันปวดไปรู้สึกว่าฉันปวดใจมันก็ปวดขึ้นทันทีเลยนี่มันเราลองสังเกตดูนะมันมีความแตกต่างกันนะระหว่างปวดเท้าหรือว่าเท้าปวดกับฉันปวดนะถ้าปวดเท้านี่มันปวดแต่เท้านะใจไม่ปวดด้วยแต่พอฉันปวดขึ้นมานี่มันก็กระเทือนไปถึงใจนะ สมัยก็ว่าก้อนเห็นนี่มันทิมใจด้วยแต่ที่จริงเราก็รู้ใช่ไหมก้อนเห็นมันมันไม่ได้ทิมใจหรอกอันนี้เพราะไม่เห็นความจริงนะว่าเมันมั น, ม, นมีแต่เท้าที่ปวดนะแต่ว่าไม่มีฉันผู้ปวดหลวงพ่อเขียนตอนที่ท่านปวดป่วยเป็นมะเร็งครั้งแรกเนี่ยเมื่อแปดเก้าปีก่อนเนี่ยท่านก็มีทุกขเวทนามากนะแต่ว่าหลวงพ่อท่านก็นิ่ง ไอคนที่ทุกข์ก็กลับกลายเป็นลูกศิษย์ลูก้าที่มาเยี่ยมเยียนมาเยี่ยมท่านเห็นหลวงพ่อป่วยลูกศิษย์ลูก้กาก็ร้องห่มร้องไห้อยู่หน้าห้อง ICU นะหลวงพ่อท่านก็พูดท่านก็เตือนว่าเนี่ยไอความปวดเนี่ยนะมันไม่ลงโทษเราหรอกความปวดที่มันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ความซึ้งว่าฉันปวด น, นี่แหละที่มันลงโทษเรา ไอคนที่ทุกทุกกันทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าร่างกายมันปวดนะแต่เป็นเพราะว่าไปรู้สึกไปสําคัญว่าหมายว่าฉันปวดฉันปวดและที่รู้สึกงั้นพราะไม่เห็นความจริงนะว่าจริงๆแล้วนี่มันไม่มีฉันปวดมันมีไอที่ปวดเนี่ยมันเป็นเพราะกายปวดไม่ใช่ฉันปวดอันนี้เป็นความจริงเรื่องรูปนามนะที่ที่ถ้าเรามองไม่เห็นนะ ก็จะก็จะทุกเวลาก็จะทุกใจนะเวลาเจ็บเวลาปวดขึ้นมาหรือแม้แต่เวลามันมีความทุกข์ที่ใจมีความโกรธเกิดขึ้นที่ใจนะมีความเศร้ามีความเหงามีความเบื่อมีความรู้สึกขับแค้นขับแค้นใจถ้าไม่เห็นความจริงเรื่องรูปนามนะมันก็จะรู้สึกว่าฉัน โกรธฉันเศร้าฉันทุกคือมันเอาอารมณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะกับใจนี่มาเป็นเราเป็นของเราหมดแต่ถ้าเราเห็นว่าอันนี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจนะไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เราขับแค้นใจเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจ ไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราไออารมณ์เรานั่นเนี่ยมันก็จะไม่สามารถสร้างความทุกขนะ์ให้กับใจของเราได้มันเกิดขึ้นเห็นมันเห็นว่ามันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นไม่ไปข้องเกี่ยวกับมันนะไม่ไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเรา สักพักมันก็ค่อยดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่จริงเนี่ยเพียงแค่รู้ทันว่ามันเกิดขึ้นกับใจแค่ก็พอแล้วนะเหมือนกับที่เรารู้ทันว่าความปวดเมื่อยเกิดขึ้นกับกายเพียงแค่รู้ท่อนนี้เนี่ยมันก็ช่วยทำให้ใจไม่ทุกข์เพียงแค่เห็นว่ามันเกิดขึ้นกับใจไอความโกรธเนี่ยประเดี๋ยวเดวมันก็ดับไป อันนี้คือการเห็นความจริงนะที่ถ้าเราฝึกเอาไว้นะเราจะไม่ใช่ใจเราจะไม่ทุกข์อะไรกับกับอะไรง่ายๆใครก็จะพูดอะไรใครก็จะทำอะไรเราเนี่ยใจมันก็ไม่ทุกข์แต่ที่เขาพูดอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าใจเราไม่ไปไปร่วมวงไปผสมโรงด้วยเนี่ย ใจไม่ทุกนะหรือถึงแม้ว่าใจเกิดกับเพื่อมขึ้นมาแล้วเรามีสติเห็นอาการของใจที่มันกระเพื่อมมันก็ไม่ทุกแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเช่นนะั้นส่วนใหญ่ใจมันก็ไปยึดนะไปยึดเอาคำของเขานะมาทิมแทงตัวเองคาพูดที่เจ็บปวดเนี่ยมันเหมือนกับแก้วนะ แก้วคมคมแต่เราก็รู้ใช่ไหมว่าแก้วเนี่ยถ้าเราไม่ไปจับมันมันก็ทำอะไรทำอะไรเราไม่ได้หรือแม้แต่เราวางมันไว้บนมือแก้วนั้นจะคมแค่ไหนหรือว่ามีดโกนด้วยซ้ำนะมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราวางไว้บนมือเฉยๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ย ไม่ได้ทําแค่นั้นนะก็ยังไปกำ ม, มันเอาไว้แล้วก็ไปกรรําแล้วก็บีบกรรําแล้วก็บีบนะแก้มก็เฉือนนิ้วนะมีดมันก็เฉือนมือเรื่องนี้จะโทษใครนะเวลาเจ็บเนี่ยจะโทษใครจะโทษแก้วจะโทษมีดโกนหรือว่าจะโทษตัวเองนะที่ไปบีบไปกรรําแค่ปล่อยมันหรือแค่ วางไวมือเฉยๆเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรบางทีใจเราเนี่ยมันเหมือนกับเวลาใจไม่มีสตินะมันก็เหมือนกับไปยื่นเป็นเขียงให้เ้าสับนะใจเราเนี่ยถ้าอยู่เฉยๆมันไม่เป็นอะไรแต่พอไม่มีสติเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับคําพูดของเขาไปนึก คิดคุ้นคิดถึงคําพูดของเขามันก็ไม่ตายจากการที่ไปยื่นเป็นเขียงให้เขาสับทัสับสับก็เจ็บเองหรือเหมือนกับที่เคยพูดไว้นะที่หลวงปู่บุตรานะได้สอลูกศิษย์ว่าเนี่ยเขาเดินเสียงดังเขาเดินด้วยเกี้ยเสียงดังมันไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาเป็นเพราะว่า เอาหัวไปลองเกีย้ยเขาบอกหัไปลองเกีย้ยเขาก็ปวดขึ้นมาเลยหรือว่ารำคาญขึ้นมาหรือทุกข์ขึ้นมาอันนี้พอมีสตินะรู้ทันนะรู้ทันใจนะที่มันกระเพื่มการมีสติเห็นอาการของใจเห็นใจที่มันขึ้นลงใจที่มันกระเพื่มนี่ก็เป็นการเห็นความจริงอีกระดับหนึ่งนะ แต่ถ้าเราสามารถที่จะเห็นนะจนกระทั่งเข้าถึงความจริงที่ว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราเลยแนะม้แต่กายกับใจนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะสตินี่มันช่วยนะทำให้ไม่ไปยึดนะกับอะไรที่เกิดขึ้นกับกายและใจได้นะอย่างที่หลวงพ่ออภิเขกนั่นพูดอยู่เสมอเสมอในตอนปลายเชิงท่านวันไม่เป็นอะไรกับอะไร ไม่เป็นอะไรกับอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจไม่เป็นคือเปไม่ไปยึดมันถ้าเราเห็นความจริงนะว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้ที่ทุกใจเนี่ยเป็นเพราะไปยึดเอาอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจว่าเป็นเราเป็นของเราความปวดเป็นของเราความเมื่อยเป็นของเราเราเป็นผู้ปวดเราเป็นผู้เมื่อยเราเป็นผู้โกรธนะเราเป็นผู้เสียใจ อันนี้ขาดทุนเลยถึงแม้เรายังอาจจะไม่เห็นความจริงถึงข้นว่าโอ้มันไม่มีตัวเรามันมีแต่กายกับใจมีแต่รูป ก, กับนามเพียงแค่เห็นว่าเนี่ยจ่ายมันเข้าไปยึดเอาสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจว่าเป็นเราเป็นของเรานะแค่นี้มันก็ช่วยทําให้เรารู้ทันแล้วก็สลัดรู้ทันแล้วก็วางมันลงได้งั้น การเห็นความจริงเนี่ยสำคัญนะถ้าเราเห็นความจริงนี้ก็เรียกเกิดปัญญาเนะี่อย่างที่บอกไว้แล้วปัญญามันก็มีหลายระดับนะความจริงก็มีหลายระดับหน้าที่ของเราชาวพุทธคือการฝึกสติการภาวนาการเจริญวิปัสสนาเพื่อที่ได้เห็นความจริงจงกนกระทั่งปัญญาเจริญงอกงามขึ้นตามลำดับและเมื่อมีปัญญาเห็นขั้นที่ว่า รู้ว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษนณะ์เนี่ยอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราอันนี้เรียกวอนัตตามันไม่มีอะไรที่จะยึว่าเป็นเราเป็นของเราได้เลยเนี่ยมันก็ปล่อยวางไอความเป็นกับตัวที่เคยเคยตีกรอบจิตเอาไว้ให้คับแคบมัน ก, มนก็มันก็หมดไปจิตก็แผ่กว้างไม่มีประมาณก็เกิดความกรุณานะี อย่างไม่มีขอบเขตนันนี้แหละนั่นที่ทําให้เจ้าชายสิทธัตถานี้ได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าและทําให้คนจํานวนไม่น้อยนี้ได้กลายเป็นพระอรหันตนะ์พวกเราอาจจะไม่ได้บางคนอาจจะไม่ถึงขั้นปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์แต่อย่างน้อยก็คงจะปรารถนานะความพ้นทุกข์หรือว่าไกลาจากความทุกข์ หรือว่าอยากจะมีทุกข์เบาบางก็ต้องฝึกให้ได้อย่างนี้นะเพราะว่าจะทําอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่ช่วยทําให้ลดความทุกข์ได้จะไปทําบุญเพื่อให้มีโชคมีลาภเพื่อให้เกิดอายุวันณนะสุขขาพะละมันก็ทําได้อั น, นิสมก็ได้แค่ระดับหนึ่งอะพอถึงอย่างไรก็ต้องหมดอายุถึงอย่างไรวันนัสก็ต้องเสื่อมถึงอย่างไรสุขขาก็ต้องกลายเป็น ทุกขะไปแล้วก็พละกระกำลังก็ต้องร่วงโรยไปไม่มีใครที่มีอายุวันนาสุ ข, ขะพลระไปได้ตลอดการแม้กระทั่งพูะเจ้านะนะก็ต้องเสื่อมอายุนะสิ้นอายุเสื่อมจากวันนนะเสื่อมจากสุ ข, ขะแล้วก็เสื่อมจากพลระพเจ้าก็หนีไม่พ้นนะแต่ว่าใจของพระองค์นี่ไม่ทุกเลย ไม่ว่าจะร่ำรวยแค่ไหนนะถึงแม้ว่าไอตอนจะตายนี่ทรัพย์สินก็ยังมีมากมายมหาศาลมีพันล้านหมื่นล้านแต่มันก็ไม่ได้ช่วยทำให้มีความมันมันก็ไม่ได้ช่วยทาให้ความทุกข์ใจในเวลาเจ็บเวลาปล่วยในเวลาใกล้จะตายลดน้อยถอยลงเลยตามใดที่ไม่ได้ฝึกนะฝึกจิตฝึกใจเอาไว้ เงินทองมากมายมหาศาลเนี่ยถึงเวลาจะป่วยหนักเป็นมะเร็งมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้รอดจากมะเร็งได้หรือถึงเวลาที่ใกล้จะตายมันก็ไม่ช่วยทำให้รอดพ้นจากความตายได้เพราะว่ามันเป็นธรรมดาของมนุษย์แต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกใจเอาไว้นะฝึกใจให้ให้มีสติเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นความจริงจงกนกระทั่งปล่อยวางได้เมื่อถึงตอนนั้นเนี่ย ไอ้ความเจ็บความปวยหรือความตายก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้มันทำได้ยังมากก็ทำกับร่างกายแต่ว่าใจก็ยังเป็นปกติหรือว่าเป็นสุขอยู่ได้ถ้าเราอยากจะประสบกับสภาวะแบบนี้นะหรือว่าอาจจะยังเอาถึงขั้นว่าอาจจะไม่ถึงขั้นว่าจะต้องใกล้ใกล้ความตายนะเอาแค่ว่า เวลาเจอความพัดพลาสูญเสียเวลาถูกตำหนิติดเตียนต่อว่าด่าทอเวลาเจอประสบอุปสรรคในชีวิตเวลามีคนกลั่นแกล้งแต่ว่าใจไม่ทุกข์ใจก็ยังเป็นปกติพองแผ้วได้ถ้าจะปรารถนาสภาวะอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องฝึกที่ใจด้วยนะฝึกใจให้มีปัญญานะเห็นความจริงอย่างที่ว่ามา เมื่อถึงคราวที่มันเกิดความผ่อนวนปลวนแปร ى, เพียงใดเสื่อมจากโลกธรรมใจก็สงบได้ถ้าเหมือนกับดอกบัวนะดอกบัวเนี่ยนะหรือใบบัวเนี่ยน้มันจะฉาบลงมาอย่างไรนะก็ไม่แปดเปื้นนใจที่ฝึกไว้ดีแล้วนะไม่ว่าทุกมันจะมากระทบอย่างไรนะก็ไม่กระเทือนหรือไม่ทำให้ แปดเปื้อนหมูหมองได้เอาล่ะคำเดียวเพื่อนเท่านี้นะกราบครับ